เขาเล่าที่ผ่านหนึ่งผ่านรูปเอวีวัตตา ส, สโตเมเปิดถัดมาเองเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็มีราศี ข, ขันธ์ไปก่อนก่อนวันสงการแล้วก็บอกว่าเขาก็เปิดดูรูปภาพนะเป็นรูปของแม่ของเขา ซึ่งก็เป็นยายของนีของปฏิภาวนีเดินดะูลูกยายยาก็พิ่งเสียชีวิตไปเมือ่อเดินสองเดินที่ขานมานี้พอเห็นลูกยายนะก็เลยพูดกับลูกว่าแม่คิดถึงยายเนาะอะไรปรานี้นนกนะ็พูดไปเด็กพอได้ยินแม่พูดงนะั้นเดิน คิดถึงก็ได้นะแม่นะแต่อย่าไปแต่อย่าไปเป่งประมันนะ <c oughs> คือคิดก็ได้นะแต่อย่าไปเป่งกับมัน <c oughs> พอแม่ได้ฟังแล้วแม่ก็ได้สติกลัมาว่าเอลูกก็สอนเราเนาะการบูมตรงเขาเนี่ยก็เขาได้ประโยชน์หลายอย่าเอ๋อ น, น้อยเขาก็เห็นใ้ว่าสติอะ ที่เตือนแม่ได้ก็คือคลิปที่เขาเขาก็จับใจความหลักในการปฏิบัติธรรมได้าะเขาเลยเล่าให้ฟังว่ามันเด็กๆนะแม่ได้นคามฝึกก็มีคุณสมบัติครับให้เขาเกิดความต้นใจเรื่องของสติพวกเราเคยเป็นมั่งบางทีเราเก็นอะไรเนาะบางทีมันจะเกิดความคิดเกิดความรู้สึกขึ้นมา เหมนแม่สักพูดนยะก็คือเขาเขามองเห็นภาพยายนะคือแม่องเัอเองคี่เพิ่งเสียชีวิไปก็เลยเกิดความคิดถึ ง, ถ ง, ถ ง, ถงนะความคิดถึงกันอาจจะเป็นคิดถึงสิ่งที่เคยได้อยู่ร่วมกันเนาะทั้งทุนงานความดีหรือว่าคิดถาอะไรอาบอลนะที่ไม่ได้อยู่กับยายแล้วไม่ได้เห็นยายแล้ว บางทีอารมณ์ก็แน่พอเราคิดถึงละมันก็ต่อเรื่องไปนะเป็นอารมณ์สุขใจบ้างบางทีคิดถึงสิ่งที่ดีเราก็มีความสุขใจเดี๋ยวคิดถึงอานาพจนเม่ไม่ได้เจอกันแล้วนะไม่ได้เห็นยายแล้วก็อาจจะเกิดความเศร้าใจบางทีความคิดกนะ็เป็นแบบนี้นะเมื่อคิดแล้ว ถ้าเราไม่ยุทธันนะมันก็จะเกิดการปรุงแต่งเกิดความปรุงแต่งเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างใช่ไหมเวลาเราคิดมันก็จะเป็นแบบนั้นมันก็เกิดกการเนี่ยบางทีจากการที่เห็นรูปเนาะตาเห็นรูปก็เกิดนีความจําได้ใหม่รู้ก็คือสัญญาณจําได้รูปนี้เป็นรูป แม่ของเราก็เกิดการปรุงก็เกิดเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นเกิดการปุงแตกต่ออันนี้คือมันก็เป็นธรรมดาหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเนาะเสียงเกิดขึ้นมาได้ยินไปพูดถึงเราก็เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมา เป็นความปรุงแต่งที่ต่อดนันะ้นทั้งจะว่าจะย่อยย่อนละ้ก็สื่ออาญาณนะก็สื่อตามหมูจมูกลิ้นกายสุดท้ายอีกอย่างก็คือใจนะบางทีก็มีนะ เ, เคยนะั้นาทีไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทางตามหูจมูกถึงกายที่มันเป็นติดที่เด่นๆแต่ความรู้สึกข้างในมันก็ยังผุดขึ้นมานะมันผุดขึ้นมาเองในใจิตใจ เราปฏิบัติทำอะไรเรก็ได้เห็นว่าบางทีมันฟุงน้งร้างเยอะเลยนะทั้งที่ไม่มีอะไรน ะ, ะก็เดินอยู่ในที่เดินจนกงเหมือนเดิมนะกลับไปกลับมาติที่มองเห็นก็เป็นเรื่องที่ชินแล้วหรือนั่งตั้งจังหวะก็ตามก็ไม่หงมองสนใจอะไรเสียงที่เดินขึ้นในขณะนั้นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแต่ใจเราเองก็ยังฟุ้งซ้านอยู่ อันนี้มันจะเกิดขึ้นขึ้นบ่อยมากหรือถ้าจะชัดเจนขึ้นมาเช่นตอนเราเป็นตอนนอนนอนเนาะเราก็นอนหลับตาไม่ได้มีอะไรขึ้นมานะหรือบางทีตอนฝันมันก็จะมีความคิดจะมีความฝันขะึ้นเพราะฉะนั้นอาณาจักนะทั้งอกเนะี่ยตามันจะมูกลิ้นกายแลนะ้วก็ใจเนี่ยมันเป็นทางเข้านะเป็นทางเข้า ของอารมณ์ความปรุงแต่งขึ้นในจิตแต่การภาวนาการปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ไม่ใช่ต้องปิดนะไม่ใช่ปิดทางเข้านะไม่ใช่เราต้องไปปิดทางเข้าให้กิเลสเขาเข้ามาโดยการที่ไม่ต้องรู้ไม่ต้องฟังไม่ต้องอมีอารมณ์อะไรต่างๆไม่ใช่แต่หน้าที่เราคล้ายๆเหมือนเราอยู่นะเราอยู่ บอกข้องบนเช่นเหมืนคล้ายๆว่ า, าท่านในที่ในที่โรงเรียนที่ตํางมาของเราเนาะมัมีกล้องกล้องวงจรปิดดูบริเวณทางเข้าของประตูต่างๆนะถ้าับเป็นยานเแา่เาก็จะหน้าที่เราก็ดูที่ตรงจอนะจอภาพหรือว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามานะในทางเข้า ในทาวารตางๆของเราเองเนะ้าก็เพียงแค่ดูดีใจนะอะไรมันเข้ามาทางตานะเข้ามาแล้วเกิดความคิดเกิดความรู้สึกอย่างไรขึ้นมาเรารู้ทันเสียงเกิด ข, ขึ้นมาเนมะื่อเราได้ยินแล้วเกิดความพอใจหรือไม่พอใจขึ้นมาคอยรู้ทันนะทางเข้าในคิดเรามีหงกทางนะตาหงษ์จมูกจินกายใจ มันเข้ามาทงาไหนสติทุถทันนะบางทีจริงจริงอ่นะบางทีมันเหมือนจะเข้ามาคร้องกันะมันเข้าคล้องกันันแหละแต่เพียงแต่ว่าอารมณ์ที่มันเป็นในแต่ละษณนะเนี่ยมันจะต่างกันเช่นตันนีนเรานั่งอยู่ตรงนี้นะมันมีสิ่งที่มันเข้ามานะทั้งหมดแหละหกทางนะตาก็ มองเห็นอะไรสักอย่างหนึง่งนะหูก็ได้เสียงติดเรียกมาพูดอยู่หรือเสียงแอร์นะที่มันแรงหน่อยนะจะหูกก็อาจจะได้ได้กินแต่อาจจะไม่ได้เห็นนะไม่ได้มีกินอาหาอะไรขึ้นมาก็เป็นกินธรรมดานะลิ้นะไม่ได้คัมผัสอะไรนะแต่กาจะมีน้ำลายจะมีอะไรก็เฉยๆธรรมดาร่างกายถูกควาหนาวขึ้นนะ ป้าจะทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาก็ได้อาจจะรู้สึกคิดปรุแต่งอยากพอนแอนเนาะหรือว่าอยากหาเสื้อตะนาวเนาะอะไรนะก็เกิดความปรุงแต่งขึ้นในใจหรือใจเีงก็สัมผัสกับความคิดอารมณ์ในต่างๆที่มันปรุงขึ้นมาเองออกมาที่จริงมันเกิดขึ้นพร้อมกันตั้งแตนานะแต่เพียงแต่ว่าอะไรมันเป็น มันก็จะเป็นความรู้สึกขนะึ้นนะเช่นสมมติร่างกายเราถูกความเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาความรุงแต่งก็จะปรุงแต่งในเรื่องของความรู้สึกหนาวความรู้สึกต้องการเครื่องอบอุ่นร่างกายแต่ถ้าบาคนมันถูก ด, ดีแล้วมันสบายแล้วไอ้คนที่มันก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับตั ว, วเราอองนะมันก็จะเกิดอ า, จจาการเป็นความคิด นะเป็นอรารมต่างๆขึ้นมาเด่นขึ้นมาแทนนั่นการมีสติเนี่ยเราจะไม่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนาะเราเราไม่ห้ามเขานะให้มันเกิดขึ้นตามควาเป็นจริง น, นั่นแหละนะไม่ใช่ว่าเราต้องไปควบคุมจัดการหรือว่าไม่มันเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นหน้าที่เราทำํำผิดแค่อย่างเดียวเพียงแค่รู้ตัว การรู้ตัวก็คือการรู้ว่าร่างกายตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่หรือร่างกายตนี้มันมีเวทนาเวทนาของร่างกายก็คือว่ามันมีความเจ็บปวดเมื่อยมีความสบายอยู่ในร่างกายไหมนะเราก็เพียงแค่รู้เฉยๆนะรู้เฉยๆแต่ถ้ามันเจ็บปวดมากเราก็หรือว่าหนาวมากมันก็ทำหน้าที่นะ ช่ยเหลือเขานะปรับเปลี่ยนเรลือหาเครื่องมนุษ่มร่าง ก, กายเนี่ยตองกินกกเพียงแค่รู้สเฉยๆนะถ้ามันเป็นหนักมากเนาะมันก็ต้องดันเทนะทุกของกายเนะี่ยมันไม่ใช่สามารถเกยนแค่กำเนิดรู้แล้มันจะหายนะเพราะร่างกายมันเป็นมันเป็นธาตุที่มันเป็นทุบ น, น, นะร่างกายอยู่ก็ต้องกินนะเมื่อยก็ต้องพัก ง่วงมากอนะก็ต้องนอนนะปวดเมื่อยมากๆก็ต้องเปลี่ยนท่าในร่างกายเราก็ทําหน้าที่แบบนี้นะฉะนั้นเวลาเราปฏิบนะัติธรรมนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนได้นะนะในนอกจากในบางวิธีบางท่านอาจจะสอนให้ดูเวทนาของร่างกายให้ผ่านเวทนาของร่างกายใี้ได้แต่จริงนะ เราจะดูถึงระดับหนึ่งน ะ, นะไม่ใช่ว่าปวดเงื่อนขั้นหนึ่งก็เปลี่ยนนะแต่ให้คนทั้งแรกในย่างหนึ่งนาะทีถงข้อก็จะบอกว่าสมุนท่ามันอยากจะเปลี่ยนให้มันขอเปลี่ยนทั้งสามครั้งก็เปลี่ย น, นคือมันจะเจอความปวดเมื่อยเจ็บขึ้นมานะเออยากจะเปลี่ยนมากๆแล้วนะครั้งแรกก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนตามมันดูอดทนดูมันไปก่นอน เราทนดูมันไปก่อนพอสักพักหนึ่งได้แก่คอที่สองฮนะก็ลูมันก่อนฮนะลองก่อ น, นอเนาะแล้วถ้าจะต่อลองก็มาพอขับทีศากระแล้วออมันตสม ค, นะ ค, นะควรนะตสมควรแล้วก็ไปเปลี่ยนท่านก็บอกเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคว่าบางทีเราบางทีเราก็ทําอะไรแบบตามอารมณ์เนะเราอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนทันทีนะนะเหมือน เหมือนเราเบื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะเราก็ขัดจากสิ่งที่เราทําทันทีนะไปหาสิ่งที่เราคิดว่ามันจะสนุกกว่าใช่ไหมบางทีเราอยู่คนเดียวเราเบื่อทางไหนกหาเรื่องเป็นคุยกับคนอื่นดีกว่าอนะไปดูห น, นังฟังเพลดีกว่าจะได้ออกจากอารมณ์แต่เนี้ยบางทีเราก็ตึกดูดูอารมณ์นะบางทีเราจะเห็นเลยว่าที่จริงมันไม่ได้ว่าทนไม่ได้นะ แต่มันไม่อยากทนบนะางทีปัญหาของคนสมัยนี้นะมันไม่อยากทนนะไม่อยากรอหรือว่ามันไม่ชอบความเบื่อนะยิ่งยุคสมัยนี้นะมันมีอะไรที่มันเยอะแยะมากมายที่เราเป็นความสะดวกสบายนะหรือเป็นความรวดเร็ว เ, เ, เราเชื่อว่าปฏิสัมพันธ์คือความรวดเร็วความสะดวกสบายเนาะเราก็เลยไม่รออินเทอร์เน็ตนะ ถ้ามันช้าหน่อยเรารู้สึกมันลำคานนะครับทั้งที่แต่ก่อนนะก่อจะโหลดข้อมูลได้ในตอนร้อนนะสมัยนี้รอไม่ได้นะอื อ, อันนี้อ่านสั่งก็ต้องเร่เร็วพอเราฝึกอ่าไม่ไม่ฝึกกอเราอยู่ในความเคยชินแลนะบาทีจิตมันก็จะเกิดความเบือเกิดความนหมดคิดง่ายแต่บางทีนะเราก็ต้องฝึกรอบ้างฝึกคนบ้างฝึกฝืนบ้าง น, นะ ฝืนบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะต้องแบบเราต้องฝึกให้มันชนะความปวดความเมื่อยความเจ็บนะไม่ใช่นะนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติ ท, ทําแล้วเราจะต้องนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เจ็บนะจะเป็นคิดอย่างนั้นนะแต่ แ, บบแรกก็ปวดเมื่อยเจ็บบ้างแต่พอฝึกไป น, นานๆเสรจนะมันจะเกิดความพัฒนาการนะอย่างจะมา ก็จําวารู้สึกได้ตอนปฏิบัติทําใหม่ๆนะตอนนั้นก็ยังไม่ปวดเลยรนะับงที่เรานั่งขัดสมาชีแพ่เลนนะก็ปวดขามหนะ้าแต่ก็ต้องมันอยากจะเปลี่ยนแค่ห้านาทีก็อยากเปลี่ยนนะพอรู้สึกไปเคื่อยๆสิบนาทีก็พอได้เนะก็เริ่มมันเกิดข่ายความรู้สึกอยากเปลี่ยนตอนแรกมันก็ค่อยๆนานขึ้นเะอาไปสิบนาทีได้สิบห้านาที ยี่สิบนาทีนะาครึ่งชั่วโมงเลยนะเออค่อยมันก็ค่อยพัฒนาเป็นชั่วโมงนะเป็นสองชั่วโมงนะมันก็ได้นะนะแต่มันก็ไม่ใช่เกินนะั้นอนะต่อชั่วโมงก็เต็มทีแล้วนะดีสมาธิไม่พอก็ก็ปวดเมื่อยก็สู้เวทนานะของร่างกายไม่ได้แต่มันก็เห็นกนะ็คือมันเป็นพัฒนาการที่เราเข้าถึงองเรานะ ซึ่งตรงนี้มันไม่สามารถที่จะมีได้ถ้าเราไม่ฝึกนะนะถ้าเราไม่ฝึกอันนี้พูดเป็นตัวอย่างของการฝึกฝึกร่างกายให้มีความอดทนนะให้มีแต่จริงร่างกายที่อดทนนะมันต้องมาคล้องกับจิตใจที่มันมีสมาธินะมันมีสมาธิเพิ่มขึ้นนะถ้าเราสมาธิเราน้อยนะเราก็ทนได้น้อย สมาธิคืออะไรสมาธิคือใจที่ตั้งมัน่นนะใจที่ตั้งมัน่นใจที่มันคงเนะี่ยเรียกว่าสมาธินะสมาธิไม่ได้แปลว่าใจสงบใจไม่มีความคิดนะใจมีความสบายอย่างเดียวนะที่จริงสมาธิจริงคือใจมันตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวนะเหมือนเด็กมีสมาธิในการเรียนนะมันก็จะ มีอยู่กับเนื้อหาที่เรียนอยู่กับสิ่งที่อา่านหือสิ่งที่คุณูพูดนะแต่ถ้าเด็กที่มีสมาธิสั้นก็คืออยู่กับสิ่งที่อยู่บนหน้ากระดานในห้องเรียนแค่ท่านๆนะแล้วเขาก็วอล์กแวกไปคุยกับเพื่อนหรือไปคิดเรื่องนั้นนี้หรือไปแอบวาดตู้แอบผ่านกระตูนนะั่นนี่คือมันไม่มีสมาธิใช่อืมแต่ถ้ามีสมาธิคืออยู่กับสิ่งที่อาจารย์ทำเฉพาะหน้าอยู่ เราทํารงานอะไรก็เหมือนกันใช่ไนมการที่เรามีสมาธิคือเราอยู่กับสิ่งที่เราทําได้ออย่างมั่นคงแม้บางทีจะมีความคิดเบื่อมีความคิดอยากจะไปนั่นไปนี่ตรือสิ่งที่มากระกบมารบก่วนในขณะที่ทํางานมันเกิดขึ้นมาแต่เราก็สามารถตั้งมั่นในการที่จะอยู่กับมันได้นะไม่ใช่ว่าตั้งมั่นคือไม่ค่อยเตนะมันค่อยเตแต่กลับมาได้นะ กลับมาได้เหมือนคล้ายๆเราตอกเสาหลักนะลงไปในดินนะถ้าเราตอกเสาลงไปในดินเะนี่ยเพียงแค่ แ, กแรกงเนะี่ยลงไปไม่มากเนะีเสาต้นนั้นมันก็ถ้ามีใครมาโยกมีใครมาดึงนะพางีแค่เด็กมาเล่นนิดนึงเนี่ยนะเสามันี่ยก็ตุดจากดินนะแต่ถ้าเราตอกเสาลงไปลึกลงไปเรนะื่อยๆเนี่ย บางทีผู้ใหญ่มาโยกก็ อ, อย่างนี้เรียกว่าไม่สามารถจะดึงขึ้นมาจะดีได้นะสมาที่จริงคือการตอกลงไปให้มันมั่นคงขึ้นนะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆหรือจะเปรียบเทีอย่างคล้ายคเหมือนกับต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้ใหม่ๆเนี่ยต้นะกล้าปลูกไปใหม่ๆรากมันก็ยังไม่จับดีนะรากต้นมันก็ยังไม่แข็งแรงเด็กมาดึงเล่งหรือว่า นะบั ว, วายตัดมามาดึงมาขอเนี่ยมันก็ถูกง่ายแต่ถ้าต้งมาจานั้นค่อยๆลังหยังรากเพิ่งลงไปในดินทำต้นโตขึ้นนะมีแกนนะมีแกนนะในตัวของมันเองเนี่ยอะไรจะมาประทบเนี่ยมันก็ยากที่จะโค่นลงยากที่จะถอดขึ้นมาจิตของเราเองก็เหมือนกันนะ จิตเราที่ไม่มีสมาธินะี่ะมันก็จะไหวเป็นตามอารมณ์ได้งนน่ายอานะรมณ์เอย่างที่พูดเนตอนแรกว่าพอดีตาเราเห็นผ้าสักอยาเนะี่ยมันก็เกิดเกิดอารมณ์เกิดความคิดตึงแตกขึ้นมานะอันนี้อาจจะห้ามไม่ได้นะแต่ขั้นตอนที่มีสติก็คือว่ามันจะไม่ไหลไปกับอารมณ์นะมันจะไม่มียิ่กับอารมณ์มันรู้นะมันคิดถึง แต่มไม่อินนะแค่รู้มันเป็นความคิดคิดถึแต่ไม่ไดอินเป็นความเศรา้าเป็นความสูขเป็นการปรุงแต่งนะเรื่องราวต่อเนื่องจากภาพที่เห็นขึ้นไปนะมันก็หยุดแค่อนนั้นนะพอตายรูกเกิดความรู้สึกว่าคิดถึถขึ้นมามันก็จบแค่คิดถึนะหูได้ยินเสียงขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมันก็รู้สึกแค่ว่าไม่พอใจนะ แต่ไม่ต้องไปปรุงแต่งไปวิจารไปอะไรมากมายกับสิที่อารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้หรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นมาเนี่คือมันมีสมาธิไอ้นี้นะอันนี้สมาธิที่มันมีสติมาประกอบอาจะเป็นแบบนี้นะที่มาพูดคือสมาธิที่มีสติเข้ามาประกอบสติคือการรู้อารมณ์รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นสมาธิไม่ได้บอก ไม่รับรู้อะไรนะบางทีสมาธิทางโลกหรือมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ได้เป็นสมาธิที่ประกอบที่จสติแล้วก็ปัญญาเมื่อทีมันก็เป็นความตั้งมั่นแต่ปิดกั้นไม่รับรู้สิ่งนต่างนะอันนี้มันก็อันนี้คือมันเรียกว่ามันมากเกินไปนะหรือเราเคยสังเกตบางทีเรา เราสนใจอะไรักอย่างหนึ่งเนาะบางคนคช่นเป็นศิลปินนะวาดรูปอินกับสิ่งที่กำลังวาดนะไม่สนใจสิ่งรอบข้างอะไรจะเกิดขึ้นมาเหมือนไม่รู้อะไรนะนะไม่รับรู้ไม่รู้สึกอนะหรือบางทีเราเคยทาอะไรไหมรู้สึกว่าทําไปเล่อยนะมันปวดแขนนี่ก็ไม่รู้สึกนะนะพอทำเสร็จแล้วค่อยรู้สึก ค่อยรู้สึกว่ามันปวดแขนปวดไหลบางคนเนี่ยว่าทู่เป็นสองสามชั่วโมงกีกับสิ่งที่ว่าพอวาดเสร็จแล้วค่อยจะมารู้สึกว่าตัวเองปวดเมืเ่อยไปทงตัวเลยยืนวาดนะไกงนะหรือบางทีแบบเด็กๆเกนาะบางทีตอนเล่นเนี่ยสนุกสนานมากมายเลยพอเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยรู้สึกปวดหววิ้วนะเมื่อยเดินเต้นะอะไรแบบนี้ก็มี อันนั้นคือสมาธิถ้ามันมากจนไปมันจะดิ่แค่อารมณ์เดียวนะแต่สมาธิที่มีสติเข้ามาปรนะกอบเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกตัวทั่วพท้องนะรู้สึกตัวทั่วพท้องอารมณ์ก็เกิดความมั่นคงขึ้นแต่เมื่ออารมณ์ไหวไปทางไหนสติจะทําหน้าที่มันรู้ทันนะเหมือนที่จะมาพูดในตอนนะั้นบอกว่ามันจะสติเนะี่ยมันจะเป็นผู้ดู ดูทวารท้องหดประตูท้งหดที่มันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยสติจะคอยรู้ทันนะเมื่อตาเห็นตู้นะเห็นนะมันก็เห็นนะแต่ถ้าเห็นแล้วเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาสติจะรู้ทันนะหูได้ยินเสียงนะเสียงเกิดขึ้นมาแล้วนะเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบพอใจไม่พอใจขึ้นมารู้ทัน นะหรือจิตใจนี่แหละฮนะการที่เรามีสติในการรู้กายพนะอใจมันเถิดเป็นคิดมันจะรู้ทันะเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่คิดนะเรื่องที่คิดเนะ่แต่คิดอะไรก็ได้นะแล้วแต่มันแต่หน้าที่ของเราเพียงแค่รู้ว่ามันคิดไม่เป็นคิดตามมันนะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยตท้ายสมัยสมัยเด็กเนะ กนะระดังตั้งใจเรียนนะมีเพื่อนมาแก้มีเพื่อมนมาล้อมีเพื่อมนมาหยอกมีเพื่อมนอมาชวนไปเล่นที่เดือนนะถ้าเด็กคนนั้นมีสมาธิมีสตินะก็จะรู้ตัวว่าถูกแก้งถูกชวนถูกล้อถูกปลอกแต่ไม่ําคาญแล้วก็ไม่ตามเข้าไปนะแต่ละคนที่ไม่มีสตินะก็ ก็อาจเผลอไปรำคาญเผลอไปไม่ชอบแล้วก็อาจจะไปต่อว่าทําได้ตบตีกันหรือบางคนชอบนะเขาชวนไปเล่นก็ชอบไปเลยทันทีนะก็คือเผลอไปตามเขานั้นการขาดสตเนีนะ่ยมันขาดทั้งสองอย่างเนาะขาดอย่างก็คือไปทําตามเขานะไปทําตามอารมณ์ที่เขามามาชวนมาล่อมาร อ, ารอนะอันนี้คือทําตามอารมณ์ นะอย่างที่สองก็คือการที่เราพยายามปฏิเสธหรือที่ไม่ชอบก็เลยไปต่อต้านก็เลยไปขัดขืนก็เลยไปเกิดความไม่พอใจขึ้นนะนันคะืความหลงมันจะมีสองลักษณะแบบนนะคือหลงไปพอใจบ้าหลงไปไม่พอใจบ้าหงาหรือเรียกว่าหลงเถือไปทาตามเขา หรือหลงไปมีความไม่พอใจก็เลยพยายามผักใส่เขานะพยายามแบบกระทบกระทั่งผักใส่เขาออกไปนะแต่การมีสติเนาะมันจะเป็นลักษณะที่เหนือสองอย่างนี้เนาะเป็นการดูเพียงแค่ดูนะไม่ต้องไปทำอะไรนะอะไรเกิดขึ้นมาในกายเนี่ยดูเฉยๆอะไรจะขึ้นมาในจนะิตใจเนี่ยดูเฉย การดูเฉยๆการรู้ซื่อๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะมันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่ามาดูแล้วเราก็จะไปเกิดอารมณ์เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีสถิตจริงๆมันจะรู้เฉยเนี่ยแต่อาอีกแค่สั้นๆนะพอรู้เฉยแล้วก็อาจจะเกิดความปรุงแต่งขึ้นเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบนะปกติแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะคิดมันมีมันมีความอยากนะ นะ ม, มีความอยากเกิดความไม่อยากตัด ใ, ใจอยู่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการบุแตกซึ่งนะเรา ก, ก็รู้นนทานีาทีหนึ่งเนาะทีมันรู้ทานตอนแรกว่ามันหยุดแล้วต่อไปมันอาจจะหลงไปอีกก็นะไม่เป็นไรลงอีกก็รู้ใหม่ปัจจุบันนะมันจะเกิดขึ้นใหม่ไปเรื่อยนะมันจะซ้อนขึ้นใหม่ไปเรื่อยทีเราก็าเพียงแค่รู้เฉย อะไรเกิดขึ้นงาใหม่เราก็ดูไปเรืนะ่อยๆคล้ายๆเหมือนกับเราดูโทรทัศน์นะหน้าที่เราก็แก้ดูตรงโทรทัศน์ภาพมันจะเปลี่ยนขึ้นมาเลียงมันจะเกิดขึ้นมามันก็เป็นภาพใหมนะ่เรื่อยๆนะเราไม่ต้องกนะดรีโมทเพื่อย้อนไปดูภาพพอดีชัดนะไม่ใช่เหมือ น, น, นเราดูวนะิดีโอนะดูดีวีดีนั่งที เมื่อกี้ดูไม่ชัด น, นะขอหยุดสักหน่อยแล้วก็ย้อนกลับไปดูให้มันชัดแ น, น่ดีไม่ต้องนะเพราะเหมือนภาพชีวิตของเราเนะี่ยมันจะเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆนะ้นออารมณ์มันจะเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆเราแค่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไอ้ที่มันผ่านไปแล้วดูไม่ทันดูไม่ชัดลงไปแล้วช่ำของมันนะเราแค่รู้สึกในปัจจุบันนะเช่นเมื่อกี้มันเกิด อ่าเกิดความคิดอะไรสักอย่างห น, นึ่งมันคิดอะไรเนาะมันมีเหตุทําไมถึงคิดแบบนั้นเนาะไม่ต้องไปสนฝืนฝืนใจว่าทาไมมันถึ ง, ถงมีเหตุต้องคิดแบบนั้นนะเราแค่รู้ว่าอตอนเนี้ยเราสงสัยสงสัยว่าทำไมมันคิดแบบนั้นนะรู้ลงไปเลยว่าใจกําลังสงสัยขึ้นมานะหรือมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันเกิดความไม่พอใจอารมณ์นั้น ก็รู้ลงไปในทขนาดจิตนะั้นเลยว่ามันไม่พอใจขึ้นมาแค่นะั้นพอเลยนะอันนี้คือการรู้ทันอารมณนะ์แต่เราการรู้ทันอารมณ์เราไม่ใช่ว่าเป็นนั่งคอยดูแต่อารมณ์ความคิดตลอดเนาะการปฏิบัติธรรมนะมันมีกรรมฐานตั้งอย่างที่เราทำไว้ก่อนนะก็คือ แต่เช่นตอนนีเราอาศัยกายเคลื่อนไหวเป็นอารมณ์กรรมฐานนะเราทําการเคลื่อนไหวร่างกายนะเป็นหลักแล้วก็ใจก็ค่อยรู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายนะตอนนั้นเราก็รู้สึกตัวว่านั่งเดินก็รู้สึกตัวว่าเดินกินกะ็รู้สึกตัวว่ากินนอนก็รู้สึกตัวว่านอนนะเรารู้สึกตัวและเป็นพื้นฐานไว้ พอใจคิดพอใจมีอารมณ์ข er e ึ้นมาเอ้ารู้ทันว่ามันคิดเนี่ยจิตมันคิดขึ้นมาก็สติรู้ทันนะความคิดก็จะต่อไปนะแต่ถ้าสติรู้จริงๆเนี่ยไม่ว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาจริงๆนะมันแค่รู้มันจะจบลงไปเนะเป็น่จบไปแล้วมันก็เป็นเีแค่ขณะจิตนึงนะอาจจะเกิดความคิดเกิดอารมณ์ขึ้นมาเช่นบางทีเราต้องเกิดความพอใจชอบออ เราเก่งว่ะรู้ว่าความคิดมันจบไปเกิดเกิดมานะักแห่งขึ้นมาคิดว่าเราเก่งถ้าเราไปดูทัแล้วก็ปุงแต่งโอ้ฉันปฏิบัติเก่งเนาะอะไนะฉันดีเนาะอะไนะแต่จริงมันดีแค่แป๊บเดียวนะ <c oughs> แล้วก็าจะเปิดเลยนะคล้ายๆเหมือนบางคนเนาะเช่นเด็กๆเลด้ดนะกกลทีฬาบางทีชุดป้าเข้าโอ้โอ เ, เก่งว่าเก่งแต่ เข้าแค่ลูกเดียวนะไม่ใช่ว่าเข้าอลูกต่อไปมันจะเข้ารู้เปล่าไปนูะนะอ่ามันเก่งแค่ครั้งเดียวนั่นแหละนะแต่ครั้งต่อไปก็ยจะไม่เข้าดนะัแต่การฝึกสติเนะี่ยเหมือนเราต้องทำให้มันชานาญเหมือนต้อนักกีฬ า, นะ า, าเนะนักเก็นนักบาสเก็ตบอลเพาชุดเข้ารูปหน่งเนะี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอลูกต่อไปมันจะต้องเข้าตลอดแต่ถ้าเขาซ้อมเป็นวยซ้อมเป็นวัยนะ เปอร์เซนในการเข้ามันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนที่มันเกิดความชำนาญนะเกิดท่าพิ่แพนต่างๆข้อสามารถทำได้ชีวิตจริงของเราก็เหมือนกันนะบางทีที่จะเป็นที่เราต้องฝึกสติให้มันชำนาญเพราะว่าอะไรเราไม่ใช่ว่าทำเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวทำเป็นแล้วรู้วิธีการแล้วพอแล้ว มันไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าในชีวิตจริงอะมันเจออารมณ์กระทบหลายอย่างมากนะบางทีเราปฏิบัตในรูปแบบบางทีมันก็ยังไม่ทันเลยเนาะขนาดนั่งยกลมือถือี่ยังหวนะนะก็ออยังมีความคิดแกหลงนะลืมตัวบ่อยๆเลยนะแต่ความคิดตรงนีน้เราก็ไม่ได้พูดห้ามนนะเราไม่ได้ห้ามแต่กินวะถ้าเราฝึกในจังหวะในรูปแบบเน่ะ เราคิดมันจะสั้นๆแล้วเพะว่าเรากลับมาได้บ่อยกลับมาได้เร็วขึ้นมันก็คิดกันคิดไปช้างมันแต่เราก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นเพราะว่าเรามีกรรมฐานเป็นตัวหลักไว้แต่ชีวิตจริงของเราบางทีความกรรมฐานตัวหลักมันไม่เด็ดการงานหรืองานบวชที่เราทำเนี่ยบางทีมันก็เคยชินนะหรือบางทีมก็มีอารมณ์นะอารมณ์ร่วมจากการที่พูดคุยจากการงานที่วุ่นวายสับสนนะ มันก็ทําห้สติสมาธิมันตั้งมั่นได้ยากแกต่ก็เรอ่มฝึกให้มันทํานาึ้นเรื่อยๆนะแม้ในกรรมฐานหลักที่เราทําก็กลับมาได้เร็ ว, ก ล, รวกลับมาได้บ่อยนะนะรู้ตัวได้ชัดขึ้นนะหรือในการงานในชีวิตประจำวันนะบางทีมันก็วุ่นวายไหนมันยากหนแต่มันก็สามารถที่จะมีสติได้สติไม่ขาดนานนะบางทีเรา อยู่ในชีวิตประจำวันนะหลายคนปฏิบัติธรรมล้วก็นี้มันเหมือนแยกสอส่วนนะตอนทําการทํางา น, นก็ตึงเนื้อตึงตัวนะปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยนะแต่ปฏิบัติธรรมได้ก็ต่อเมื่อมาทําในรูปแบบเท่านั้นอัตมาก็เหมือนกันนะใหม่เราตอนที่เรายังไม่เข้าใจหลักการเดินสติหรือนะการทาความรู้สนะึกตัวเนี่ยเพราะปฏิบัติธรรมเราก็ทําได้ผิดแต่ในรูปแบบ พอนอกรูแปแบบทีมันกําหนดไม่ได้นะตอนนั้นก็เคยกําหนดลมหายใจกําหนดบริกรรมนะแต่มันก็ทําได้สั้นมากมันไม่สามารถที่จะตือนก็าเาไปในชีวิตประจำาันได้แต่มันรู้สึกว่าพอเรามาเจอสติเรากําหนดรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหเนะมันค่อนข้างง่ายนะมันค่อนข้างที่จะประยุกต์กับชีวิตประจําวันได้ง่ายก็เลยการเคลื่อนไหวในร่างกายมันห ย, ยากนะ เราไม่ได้เป็นกําหนดรู้สิ่งที่มันละเอียดเช่นลมหายใจหรือหรือบาทีคาบอลเลยกรรมเนี่ยมันจะบริเลยกรรมได้ในถ้าเราต้องพูดคุยถ้าเราต้องเรียนหนังสือนะมันก็มันไม่สามารถที่จะฟังได้ถ้าเราต้องไปตรวจแบบนั้นแต่ถ้าเราฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยนอกจากการเคล่อไปของร่างกายที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะเราก็ตามดุลมันไปหรือพออารมณ์มันเกิดขึ้นมาในขณะที่เราทําการทํางาน เราเกี่ยวข้องอะไรขึ้นมาเราแค่รู self, ้ทันพูดคุยกับเพื่อนเขาขัดคอเขาขัดใจเออเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเรากลับมาดูใจตัวเองว่าจะเกิดความไม่พอใจขึ้นอคุยไปเพื่อนเกิดสนานเออเกิดรู้ทันตัวเองแล้วก็เออเกิดความชอบเกิดความเพื่อนเพินก็แค่ดูนะแต่เราไม่เป็นตางเขานะอ่ามันไม่พอใจเราก็ไม่ใช้เป็น ไปดูไปดา่าไปว่าเขามัพอใจแล้วก็ไม่ใไปหลงวอร์รอล์อกะสนุกสนานจะลืมเนื้อลืมตัวนะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้นะแต่บางทีรู้สึกบางทีหัว์รอลกแบบลืมตัวกับวอร์รอกแบบลืมตัวมันต่างกันเนาะใช่ไห ม, ม น, มนี่มันบางทีลืมบางทีเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นครูบางทีก็แก้งดูก็มีนะะแก้งดุก็ได้นะอะไม่ใช่ว่า ดูแบบไม่รู้ตัวเน่ยมันต่างกันครับบางทีเราก็้ารผล่เราเขกาดู น, นะแล้วก็คือเราเป็น อ, อัดในใจเราเราก็เลยระบายมันไม่รู้ตัวนะับาทีเพราะอารมณ์มันเกขึ้นในจิตเราไม่สามารถที่จะรองรับมันได้เราก็เลยต้องระบายออกทางคำพูดทางกิริยาต่างๆใช่ไหมเหมือนคนโกรธมากๆ ม, ม, มันร้อนมันแนง่เลยมันต้องหาที่ระบายนะบางคนเนะี่ย คือใครเครียดมากๆต้องหาอะไรกว้างหาอะไรทำรายมันจะรู้สึกระบายคนที่ไม่มีสติก็เหมือนอารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจไม่ไม่สามารถที่จะนะระายได้ด้วยตัวของมันเองมันก็เลยต้องระบายออกทางทานการทํำหรือคําพูดแต่ถ้าคนที่มีสติเนี่ยมันแค่รู้มันก็จะออกนันเองนะมันก็จะหายไปตรงนั้นเองไม่ต้องไประบายทางกนริยาต่างๆ ถ้าเรารู้ทันจริงมันก็จะดับไฟของมันเองนะอารมณ์แต่บางอารมณมันแรงบางอารมณ์เขียบสติเราไม่พอใช่บางครั้งเรารู้นะก็มันโกรธแต่พอรู้ถ้ามันไม่ดับก็าอะไรสติมันยังไม่พอถ้าแบบนี้จะต้องสร้างสติใหม่ใช่มันโกรธอยู่ในใจนะแต่เราเก็บไว้ในใจนะแล้วก็คือการรู้ตัวกลารรู้ตัวกลารรู้ตัวนะ พอรู้ไปสักพักหนึ่งนะอารมณ์ค่อยๆเบาเพราะเราเป็นแั้วบงทีเราบางขนานบงทีเราเกิดความประมาทเกิดความคล้าครเกิดความวิตกกังวลเช่นต้องพูดในที่ชนชนใหญ่ๆนะต้องขีดเส้นงานหรือต้องไปพกผู้ใหญ่บางทีจิตมันจะตื่นเต้นจิตมันจะเกิดความวิตกกังวลแต่ถ้าใครเคยสุดกรรมฐานบาทีเออรากลับมา ลมหายใ้กลับมาอยู่กับมือที่เคลื่อนไหวจิตเออมันจะค่อยๆสงบขึ้นนะเห็นมาจับความรู้สึกได้ตอนปวดใหม่ๆนะแล้วก็เราผัดฝนครั้งอ่านมาหลายปีก็ผัดฝันไม่ได้ล้วเรียนจบก็ต้องไปจันะจับใบดำไปแรงตอนที่เป็นพระเนี่ยนะแต่ถ้าตอนจับเราเป็นพระเนี่ยจะมีคนเคลียร์ให้จิดนะเยอะมากนะ เป็นกรอบสรุปของใบตื้นนะ อ, อใบแดงใบแดงนะเขาก็จะเคียร์แต่อย่างเราไปจาเป็นพาพพื้นแดงนะามมากน็เกิดความวรู้สึกเลยว่ามันเกิดความประม่าเกิดความกลัวขณะที่เดินเขแถวไปนะเกิดความกลัวพอสติคิดได้เลยเป็นคิดถึงอ่าหลวงพอเลยสอนการเจริญสตินะล้วก็แบนนะมอือนะพลิกไปพลิกมาอณะที่ต่อแถวไปนะอะ ประมาณสี่ห้านาทีก็ติิกไปกมาไม่เป็นก็ได้เสียงเขาโหเขาเทียกันนะแล้วก็มีติของเราไปพอไปถึงตอนจับนะซึ่งมันจับนะมันจับได้เปยดำมันไม่ติดมันก็เฉยๆนะเออมันก็เฉยๆไม่ใช่ว่าดีใจพอเห็นได้บางคนพอจับได้ใบแรงสุดเสียใจ จัได้ประจำมันดีใจนองทักเองแต่เราก็รู้สึกเลยว่าถ้าจะได้ไปแดงก็ก็คงไม่เสียใจคงไม่แสดงอาการอะไระจัได้ประจำกเฉยแต่มันก็เนี่ยคล้ายๆมันไม่ใช่ก็ไม่มีอารมณ์นะแต่มีอยู่แต่พอเราค่อยๆเอาสติเข้ามากำบับมันก็แค่ค่อยๆลดอารมณ์ลงมาวัดเท่าเนี่บางทีบางขณะสติเรเพียงพอน่ะอารมณ์ก็ตัดมัไปได้ แต่บาร์ขะสติมันยังไม่เพียงพอแล้วก็สร้างสติขึ้นมาใหม่สร้างสติขึ้นมาใหม่มันยังไม่หายก็ไม่เป็นไรแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆนะบางทีก็ต้องใจเย็นหน่อยอย่าร er right. ja <v> ีบร้อน่ะเมื่อเราขิวข้าวเนาะบางทีเรากินข้าวคำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สามมันยังไม่อินหรอกนะแต่ถ้าที่เราก็กินไปเรื่อยๆนะเนีมันก็จะอินมเองนะมันก็จะอินของมันเอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะกินกินคำสุดท้ายมันมันอิ่มเราก็เอออันนี้มันทำให้เราอิ่นก็ไม่ใช่ใช่ไห ม, มเหมือนถ้าเป็นคนไม่ฉลาดเนาะกินอาหารกินข้าวแล้วกินหมดละนี่ยังไม่อิ่มพอไปกินผลมนไม้เออมันอิ่มขึ้นมาคิดว่าผลไม้ทาให้อิ่มมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็เป็นอาหารที่เรากินตั้งแต่คำแรกแล้วถึง ค, คำสุดท้ายแล้วมัน็ไม่้อิ่มก า, ารภาวนาก็เหมือนกันเนาะ ทุกขณะที่เรามีความรู้สตัวเนี่ยมันถูกของมันแล้วมัดีของมันแล้วนะมันเป็นสิ่งที่สมควรนะแต่เราค่อยๆพัฒนาค่อยๆสะสมค่อยๆให้มันเจริญขึ้นนเรื่อยๆนะมันจะค่อยๆอาศัยเวลาบ้างหน่อยนะเหมือนเราปลูกต้นไม้เราต้องอาศัยรอนะรอให้มันต้นไม้ค่อยๆเจริญเติบโตค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะ เมื่อมันเจเตโทโตสมบูรณ์มันออกดอกออกผลนะให้ลมเราอมันก็เป็นที่พึ่งของเราได้จิตใจก็เหมือนกันนะถ้าปฏิบัติทำแ ร, แรกมันก็เป็นที่พึ่งได้ในบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเล็ก ๆ, ๆน้อยพอทาไปเรื่อยๆนะมันก็จะพึ่งได้เยอะขึ้นจิงๆนะ่นเราก็ตื่ น, นแบบ น, นี้ไปมันไม่เสียหายมันจะค่อยพัฒนาไป ตอนไหนที่มีสติมันก็ขึ้นได้แล้วตอนไหนที่ขาดสติก็ไม่เป็นไรก็ทําใหม่นะทำไปเรื่อยอยันนี้นะให้เราค่อยพยายามฝึกหัดทํำไปเรื่อยนะเรารู้สึกตัวที่ปัจจุบันนะั้นทำนี่แหละนะทําที่ปัจจุบันนี่แหละนะวางเรื่องราวในอดีตวางเรื่องราวในนามุให้ศมากที่สุดนะแค่เราใส่ใจว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทําอะไร ดูเหมือนเป็นร่างกายคนอื่นก็เดินดูเหมือนเป็นคนอื่นเขานั่งดูเหมือนเป็นคนอื่นเขาปวดเขาเมื่ไยนะแต่ถ้าพอสมควรแต่การเวลาต่อรองรับสามกี่รอบเขาเปลี่ยนให้กับเขาอะไรนะปวดเข้าห้องน้ำก็เหมือนกันนะบางทีเราแค่เราเดินมันเบื่อนน้าบาทีไปเปลี่ยนอารมณ์สักหน่อยดีกว่าเข้าห้องน้ำแต่บางที มันอยากปวดเขาจริงจ ร, งรว่าจะเบือ่อมาซึมเปลี่ยนมันอย่านี้ยเราสังเกตหรือเ น, อ น, นะาะทำอะไรจะได้แหละมันทนสักหน่อยฮนะด้านกายพอสมควรมันปวดเร่ยมาแล้วก็ให้เปลีป่ย น, นมัแต่จิตใจเนะนี่ยนะถ้าจะคนก็ทนกับอารมณ์ของตัวเอนี่แหละนะอารมณ์เบือ่ออารมณ์ง่วงอามรมณ์ฟุ้งซ่านคนในที่นี้ก็คือคนดูมัน จะทำตามมันนะคนดูมันอ่มันจะเกิดขึ้นมาก็ดูมันอ่าดูมันดูมันดูกับางทีดูแบบแก้งแก้มันือก็ได้นะอืเราเคยแก้มาตรงนะเนีมันเบือนราเคยแกล้งมันเมื่อทีเราไม่เคยแก้มันเนาะมันเราเคยแต่ทำตามมันนะเอีแก้มันก็ถือขัดใจมันนะขัดใจแก้มันเน้นๆนะบางทีก็ต้องฝึกแบบนั้นนะถ้าเราไม่ฝึกขัดใจเขาบ้างเนี่ย เราก็จะเกิดทำตามใจตลอดเวลานะบางทีก็ต้องขัดใจเขาเขาจะได้รู้ว่าอันเนี้ยมันมากเกินไปเนาะเราไม่ทำตามเนาะเหมือนเราเลี้ยงลูกนะเลี้ยงเด็กเนาะเลี้ยงเด็กเล็กๆหรือว่าที่ยังคนไม่ยังไม่รู้จักภาษาดีมาถึงยังไม่เข้าใจเหตนผลมากบางทีอธิบายเหตุผลไม่เข้าใจนะแต่บางทีก็ต้องขัดใจนะ ลูกอยากจะได้ของเได้เพ่งแงทงหน้าที่บ้านอพอมีเยอะแล้วอันนี้ก็ขัดใจไม่ทําตามใจคเขานะเขาจะร้องไห้ก็เรื่องของเขาก็าต้องใจแข็งดูเขาร้องไห้คนไว้นะมันเป็นการฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกเขอยนะ่างนันต่อไปเขาจะทําตามใจไปเรื่อยอยากได้อะไรก็ดูว่าร้องไห้แล้วพ่อจะทําพ่อจะซื้อให้แม่จะหาให้เนะขาจะเรียกร้องความสนใจไปเรื่อยๆจนทั่ง เขากเป็นผู้ใหญ manager, ay, ่ที่ทําตามใจนะแต่ถ้าเราเคยขัดใจเคยฝืนใจนะบ่อยๆเราเคยขัดใจของเราเองนะขัดวินี้ก็คือการขัดเหมือนขัดที่งตกระโปรงออกไปจากจิตใจนะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราขัดใจมันนะไม่ทําตามมันเลยจิตใจมันจะค่อยๆถาบค่อยๆรู้ นะรู้จักความรู้จักรภาษาจนะน่ะาขึ้นะนะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะขัดตารมบ้างเนาะนะมันเกิดความพอใจขึ้นมาก็ไม่ทําตามมาันเกิดความนะอะไรก็แล้วแต่นะไม่ทําตามมาันนะแต่ไม่ได้โกรธมันนะแต่ไม่ได้โกรธเราเห็นเป็นธรรมดาเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่แเราก็เด็กๆก็เป็นแบบนี้แหละเนาะนะเราก็ต้อนใจความเป็นเด็ก บางทีไม่ถ้าไม่ใช่ไม่จะเด็กนะบาทีพ่อแม่เนี่ยคนชอบคนแก่บางทีถ้าไม่ได้ฝึกใจได้ดีเนาะพอแก่ไปจริงก็อารมณ์เหมือนเด็กอีกนะแต่เราถ้าเราเข้าใจก่อนเนาะเราก็จะไม่หงุดหงิดนะเพราะเพราะวอารมณ์แบบนั้นเนาะแต่บางคนไม่เข้าใจก็หงุดหงิดก็ไม่พอใจนะเนี่ยบางทีเราขัดใจ ตัวของเราเองเนี่ยลองดูอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็แค่ดูมันฉยเฉย น, นะไปทําตามมันแต่ก็ไม่ไม่โกรธเขานี่ยนี่คือการขัดใจของเราเองด้วยสตินะเมื่อเราขัดไป เ, เรื่อจะได้เห็นว่าไม่ว่าอารมณ์อะไก็แล้วแต่นะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไที่นั่นแหละไม่มีอะไรที่แยแยงแน่นอนนะสติมันจะทําให้เกิดปัญญาเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ทำ ความคิดดีขึ้นมาอ้าทักก็ดับความคิดไม่ดีขึ้นมาถ้าพักก็ดับมันมีแต่อาการเกิดดาบเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่เห็นนียมันเกิดขึ้นมาเราทำตามมันเนี่ยมันก็คือมันก็ปงไปกับเขาเลยแต่ถ้าเ้าหยิบเขาต้องพอแต่จริงมันมีแค่เกิดกับดับนะเราจะเห็นอาการเกิดดับเมื่อใครเห็นอาการเกิดดับของคิดเนี่ย มันเรียกว่าได้ได้ไดต้นฐานของการภาวานาก็ได้นะั้นก็ถือว่าก็ที่เห็นว่าอารมณ์ที่เราเคยต้องทำตามเขาต้องเป็นธาตุของอรมที่จริงถ้าเราเปฏิเสธเขาจริงจริงเขาพอะไราามมไม่ได้นะอืมมันจะเป็นอิสระเลยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยเป็นธาตุเขาสั่งอะไรขึ้นมาที่ใจสั่งอะไรขึ้นมาเราต้องสนองเขาแต่พอเรา สามารถเป็นอิสระไม่ทันตามเขาได้จริงเลยเราก็ทำอะไรไม่ได้นะชิดจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเผลอเองนะเราเรื่องเผลอเองเนี่ยเรากลัวเขาไม่พอใจเราเลยทันตามเขาไม่เห็นในจริงพอเราไม่ทันตามเขาจริงนะเขาจะทำอะไรไม่ได้นะเพอเราเคยแม้บางทีไปซื้อของนะฮู้เนี่ยบางคนเป็นคนขี้เกีงใจเนาะเข้ามาขายของเนะ เข้ามาอะไรก็ได้แต่นะเองใจเขานะ่ยเขาอุตส่าห์หน้านี่มากมายสุดท้ายต้องคืนให้กับเขาเนี่ยถ้าท่านที่ไม่ได้อยากจะได้นะเป็น แ, แค่เก่งใจเองใจเขาที่เขาอุตส่าห์มาเพียรพยายามกับเราหรือบางทีเอาเปิดอาจจะกลัวกลัวเขาไม่พอใจนะั้นก็เลยต้องทําตามนะแต่จริงถ้าเราหนะ้าที่เรา เราก็มาแค่กำหนดความสําคัญของเราว่าเรต้องการหรือไม่ต้องการเราก็ทำตามความรู้สึกจริงๆแล้วม so uh ัน huh. ก็ไม่จะปฏิเสธหรือทำตามมัก็มันก็เป็นเรื่องของเราละอหน้าที่ของกิเลสเขาก็เหมือนกับแม่ค้าก็ค้านะเขาก็มาขายสินค้าสินค้าคืออะไรสินค้าคือความโกรธสินค้าคือความโรคสินค้าคือความโง เดี๋ยว จ, จะพูด ง, ง่ายสินค้าคือความคิดนะสินค้าถึงความชอบความชังขึ้น็นจิตเขาแค่มาขายนะแต่หน้าที่เร า, เราจะเดือดซื้อเขาไหมเราจะใช้เขาไหมมันไม่สุดติดติของเรานะถ้าเรามีสจิตเราจะเป็นผู้ที่สามารถเลือกได้นะเรามีจิตที่จะเลือกเพื่อทุกข์หรือสิ้นสุดเรามีจิตที่จะเลือกปฏิเสธอารมณ์หรือว่าต่างๆอารมณ์ เรนะามีสิธิ์กันที่เมื่อ น, นั้นน่ะถ้าเราเห็นว่าสิทธิที่เราชอบทำคือตัวสติกัวปัญญาในใจนี่เองนะถ้าเรามีธรรมะนะี่ยมันจะเป็นผู้ที่เลือกได้แต่ถ้าเราขาดสตินะมันก็จะไม่มีสิทธิที่จะเลือกก็ต้องทําตามเขาถ้า <c oughs> ลองดูดีๆถ้าใครเห็นสิทธิในชีวิตของเราได้โดยการที่มีสติเห็นจริงเนี่ยนะอื่ มันจะเห็นช่องทางมันจะมั่นคงขึ้นว่าเออทางนี้แหละมันจะไม่ค่อยขวีหรือจะไม่หวั่นไหวมันจะรู้ว่าทางนี้แหละคือทางที่จะออกจากตุ้มเราทำสิ่งได้ครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะเกิดการอยากจะทำขึ้นเรื่อยๆนะแต่จะพัฒนาให้มันเข้มแข็งเรื่อยๆนะเคยชนะฟองโกรธได้ครั้งหนึ่งนะเออมันจะเห็นแล้วว่าเออมันก็ชนะได้อีกนะ เคยนชนะความคิดไม่ทํานตามควาคิดได้เนี่ยเราก็าจะรู้แล้วคือมันสามารถที่จะเป็นไทยนะไปติดสระได้กี่นะนะไม่ต้องทําตามมันก็ได้นะมันจะเกิดการขยันนะถ้าใครเห็นแล้วเนี่ยมันจะเกิดความขยันเลยไม่ต้องมีใครบังคับไม่ต้องมีใครบอกนะมันจะขยันเองนะขยันสร้างไปเรื่อยนะสร้างไปเรื่อยนมันจะเห็นคุณค่าคของการภาวนาอ่า อันเนี้ยก็เราก็ต้องทำเองนะไอ้เรื่ อ, องพวกนี้มันไม่สามารถที่จะทําให้กันได้อจาจฉริยะเพียงแค่เราเียงฝังนะหรือว่าชี้ชวนอธิบายเล็กๆน้อยๆนะแต่จริงๆ ท, ที่มีค่าก็คือประสบการณ์ในชีวิตของเราเนี่ยแหละนะแต่ละคนก็มีประสบการณ์ของเราเองนั่นด้วยกันเนะี่ยแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันแต่ถ้ามีสตินะ มันจะเป็นคนคนเดียวกันปติจะเป็นชิ้นสี่ธรรมดาเดียวธรรมดานะแต่ถ้าขาดปฏิเนี่ยบางคนอาจจะคิดนะสนุกสนานบางคนอาจจะคิดเศร้าบางคนอยากจะดีใจใจใจเป็นคนละคนกันละแต่ถ้ามีปิเป็นคนคนเดียวกันจืนเหมือนกันปกติเหมือนกันเหมือนกับน้ําปล่าอ่ะน้ำเป่ามันก็อ่ะเอื้อชาตินะคล้ายๆกันนะเหมือนๆกัน แต่ถ้าน้ําสีน้ําอะไรแล้วต่างก็มีความหวานมีความเปรี้ยวความเค็มความเมาอะไรต่างกันไปนะอารมณ์นก็เหมือนกันนะถ้าเราอยู่ด้วยกันนะแต่เราคนก็คิดอยากจะท ำ, ทำนั่นทำนี่สุบสุบทุบขุบอะไรมันจะรุนไบน์มาโกโรครุนไบน์มากแต่ถ้าเป็นพิษดีเนียอารมณ์จะเป็นหนึ่งเดียวกันนะเสมือนกันไปด้วยกันได้นะตรงคืนอยู่ด้วยกันได้นะ อันเนี้มันจะเป็นคนคนเดียวกันนะเนา่น้อต้องปกไว้นะในชาตวันนี้นะพอคงพอสมควรเกล้านะข้าพระองคกันก่อน